วันนี้นับว่าเป็นวันปรงความสลดสังเวชวันหนึ่งเพราะว่าไม่ไม่คาดคิดเหมือนกันนะ่ะคณะสงฆ์แต่ก่อนมีแต่พระสงฆ์ไปมาติการบางสกุลศรัทธายาติโยมเพราะศรัทธายาตโยมมากกว่าพระสงฆ์แต่ น, นานๆจะจินพระสงฆ์มรณะภาพองค์หนึ่งแต่วันนี้ก็องค์หนึ่งละเนี่ยคณะสงฆ์ได้มาและคณะศรัทธายาติโยม ได้มาไปชุมเพลิงศพพระมหาภูรินกันตะธรรมโมท่านในมรณาภาพเมื่อเวลาสี่ทุ่มยี่นาทีที่ท่านบอกในใบที่ใบกำหนดการที่เป็นในมนฑหลวงพ่อนะท่านจากไปด้วยอาการสงบรวมอายุได้สี่ิบดปียี่สิบห้าวันแสดงว่าอายุของท่านยังน้อยมากกำลัง เออ่องแคล่วว่องไวเอ่อเป็นพระที่กำลังฝ่ในการศึกษาในการปฏิบัติก็น่าเสียดายนพันษาก็11อพันษานส่วนประวัติของท่านคงมีผู้อ่านให้ทราบอีกครั้งเ่ในเมื่อก่อนที่จะไปชุมเพลิงนะหลวงพ่อจะไม่พูดในรายละเอียดพระมหาภูรินกันตะธรรมโมท่านบวชเข้ามา แล้วท่านใยในการศึกษาในประวัติของท่านสังเกตนะท่านเกิดอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะแล้วก็ได้บวชแล้วก็ท่านได้เดินทางเข้าไปสู่กรุงเทพมหานครไปเรียนนักธรรมและบาลีสอบได้มหาป ร, ริญญาถึงห้าประโยคอันนี้น่าศึกษามหาห้าประโยคไม่ใช่ของเล็กน้อยเหมือนกันอันนี้ท่านได้ไปเรียนอยู่ที่จํานัก วัดนรนาศุนทริการามเป็นเวลาอยู่หลายปีที่ท่านศึกษาเมื่ออายุครบบวชท่านก็ได้บวชกับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จมหามุนีวงเป็นพระอุปัชายะของท่านอันนี้ก็คือท่านบวชกับสมเด็จมหามุนีวงที่วัดนรนาศุนทริการามท่านจุกุลเจ้าพระคุณสมเด็จเคยไปวัดหลวงพ่อเหมือนกันนะ่ะ ท่านเคยไปวัดหลวงพ่อสมเด็จพระมหามุนีวงแล้วพร้อมกันได้ศึกษาธรรมและบาลีและศึกษาระดับปริญญาตรีอีกจบสารนศาสตร์บัณฑิตเอกภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาของตนเองแต่ถ้ายังได้เอกอีกอกันนับว่าท่านเป็นผู้สนใจไฝ่การศึกษาอย่างมากท่านมหาภูรินของเราเนี่ย จากนั้นเมื่อท่านได้มห า, าห้าประโยคแล้วท่านก็คงจะรู้แก่ใจมากทีนึ่ท่านก็อยากออกมาปฏิบัติธรรมท่านก็ได้มาศึกษาออกมาปฏิบัติธรรมมาอยู่ที่วัดหลวงปู่ลีผาแดงเนีอันนี้ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของหลวงตามหาบัวหลวงปู่ลีเมื่อวานก็ได้พบได้เจอกันที่วัดฝาบ้านตาบอยู่หลวงปู่ลีถ้ำผาแดง และท่านมหาปูรินท่านได้ออกแสวงหาวิเวกหลายๆแห่งวาระจุดท้ายของชีวิตท่านได้มามรณาภาพอันนี้หลงพ่อพูดอย่างทั่วรัฐนะท่านได้มามรณาภาพที่วัดแห่งนี้ก็ถือว่าท่านคงจะเป็นสหธรรมิกหรือว่าเป็นเพื่อนสนิทกันแง่คล้ายๆว่ามอบกระดูกหลังฝังกระดูกข้าง ใ ห, ให้หมูพวกเพื่อนมอบกระดูกหลังฝังกระดูกข้างให้ตัวเองลักษณะอย่างนั้นแะท่านจึงได้มามรณภาพที่วัดป่าบ้านเรื่อตำบลบ้านเรื่ออำเภอเมืองจังหวัดอุดรแห่งนี้แล้วก็พระที่เป็นเพื่อนของท่านคือเจ้าวาดที่นี่ก็คือพระอาจารย์มหาปาพัฒยปัญญาวัฒโนเป็นเจ้าวาดในขณะนี้เพราะนั้น คณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานที่มาร่วมงานในวันนี้ก็คือมาประชุมเพลิงพระมหาภูรินที่ท่านมรณภาพสรุปแล้วก็คือน่าเสียดายเพราะท่านอายุยังน้อยหนุ่มน่าจะมีอายุมากกว่านี้นะแต่อันนี้เราพวกเราก็แต่งเติมออกไม่ได้ใครของใครของเราเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มาฟังหลวงพ่อพูดในวันนี้ก่อ ขอจะได้ตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ถึงอายุน้อยหนุ่มกว่าเธออย่างหลวงพ่อหลวงพ่อทุกวันนี้นะกรุกคณะจัดทาญาติโยมลูกห ล, ล, ลานก็อยากจะรู้มันกันหนเอยหลวงพ่ออินนี่อายุของท่านเท่าไหร่นะเนี่ยในใจเนี่ยถึงจะไม่ถามไม่มีเวลาถามหลวงพ่อบอกให้เลยว่าหลวงพ่ออายุหกสิบห้าปีเกษียณอายุมาหลายปีแล้วนั้นเข้าขั้นหลวงปู่หลวงตาแล้วทุกวันนี่เพราะฉะนั้น หลวงพ่อเองตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเหมือนกันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทไม่รู้ว่าวันไหนแล้วว่าจะมาถึงเราเนีมหาภูรินที่ท่านรรณาภาพไปแล้วเนี่ยคือเป็นตัวอย่างของพวกเราเป็นตัวอย่างของพวกเราแล้เนอพวกเราจะต้องเดินตามสายที่มหาภูรินไปนี่แหละนะไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้ในวันนั้นขอให้คณะทายาทโยมลูกหลานทุกท่านพระกูบายจารย์ทุกอง ไม่ว่าพระไม่ว่าครวญพยามัตยุราตไม่ละเว้นใครๆทั้งหมดเนะพราะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเอาไว้ถ้าคนมีบุญมีกุศลในจิตในใจแล้วจะไปที่ไหนก็ไปเถอะไม่เกลือต้อนมีแต่ความสบายอุบสบายใจทั้งนะั้นะต่อนนี่อไปหลวงพ่อเองจะได้เข้าพิธีแสดงธรรมลนะนัทินีนะ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 ทยะวยะธรรมมาสร้างฆ่าราอปปมาเดนะัมปานเดทาตีติวันนี้นับว่าเป็นวันสลดสังเวชใจวันหนึ่งที่เห็นพวกเราท่านทางหลายที่อยู่ด้วยกันแต่มาพัดพลาจากกันไปอันนี้คือทุกรูปทุกนาม จะต้องได้พบได้เจอเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทำใจเอาไว้ไม่มีอย่างอื่นต้องทำใจอย่างอื่นนั้นพวกเราสอบแสวงหาได้ถ้าว่าขาดเงินคำทรัพย์สมบัติเราก็สอบแสวงหาแต่ว่าเรื่องอย่างนี้ เ, เรื่องมรณะภัยเนี่ยเรื่องเรื่องชีวิตเนี่ยไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ อีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนละ่ะจะต้องมาเจอกับพวกเราแน่นอนของอย่างอื่นขาดหายไปเรายัง ห, หาแทนคืนไดน้แต่ชีวิตของพวกเราหายไปแล้วหายไปเลยไม่มีวันที่จะหวนกลับเข้ามาให้สั้นเข้ามาอีกอย่างหลวงพ่อยินทุกวันนี่เหมือนกันหลวงพ่อเนี่เดินไปหน้าเรื่อยๆไม่มีวันถอยหลัง S <S <an> <S เดี๋ยวนี้อายุ65ปีถ้าว่าพรมได้ขีดหรือ ว, ว่าชีวิตของหลวงพ่ออายุ80ปีอย่างนี้แล้ ว, ว่าอหลวงพ่อเดินเข้ามาถึง65ปีแล้วเดินเข้าหลักประหารใกล้เข้ามาแล้วไม่มีทางที่จะเดินถอยหลังออกมาอายุ20 30 40 ป, ปีไม่มีทางที่จะเดินออกมาได้มิตรเดินเข้าหาหลักประหารเข้าไปใกล้เข้าไปเรื่อยเพราะนั้นพวกเราทุกคนก็ไม่แพ้กันเหมือนกันกับหลวงพ่อพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่าน อย่าตั้งอยู่ในความประมาทแล้วก็พร้อมกันให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ให้พยายามทํากรรมดีเอาไว้ถ้าว่าผู้ใดทํากรรมชั่วกรรมชั่วนั้นก็จะตามสนองถ้าว่ากรรมชั่วตามสนอง น, นั้นพวกเราจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆไปเกิดในภพภูมิใดก็มีแต่ความทุกข์เดือดร้อนในจิตใจแต่ถ้าว่าพวกเรามีบุญมีกุศลเป็นผู้พานา ของชีวิตแล้วชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมาก็จะมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ธรรมที่โคนต้นโหท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกท่านพูดเป็นอนเนกปริยายในอดีตชาติของพระองค์พระองค์เสวยพระชาติในพระไตรปิฎกถ้าพวกเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วพระพุทธเจ้าไม่ใช่เกิดในชาติเดียวแล้วก็จบไปไม่ใช่ เพราะนั้นพวกเราอย่าเข้าใจผิดอย่าเข้าใจแบบสั้นๆอย่าเข้าใจแหมเป็นอย่างอื่นให้พวกเราศึกษาถ้าพวกเราไม่เข้าใจแล้วให้พวกเราศึกษาเพราะพวกเราเกิดมาในโลกนี้ไม่ใช่ว่าพวกเราจะรู้ได้หมดทุกอย่างมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่ว่าสยามภูรู้แจ้งโลกจากนั้นพระพุทธองค์ไม่บอกว่าใครเป็นผู้สยามภูเป็นสาวกะเป็นผู้สดับทั้งนั้น เพราะนั้นพวกเราก็ในฐานะเป็นผู้สดับเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราไม่รู้พวกเราจะต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าปฏิบัติพระพุทธเจ้ารู้อย่างไรพระพุทธเจ้าจึงได้พูดว่าตายแล้วไม่สูญ เ, เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านศึกษาในหลักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าบัญพูดเอาไว้ว่าตายแล้วไม่สูญจุดนี้นะ่ะอท่านได้ศึกษาอย่างไรในวันเดือนหกเพน วันเดือน6เพนเมื่อ 2,500 อักว่าปีพระพุทธองค์ไปนั่งสมาธิที่โครนต้นโพจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งเกิดญาณทัศนและลึกชาติผลหลังได้ปุพเพในวาส า, านุสติญาณละลึกชาติผลหลังได้นน่แหละจุดนี่แหละเป็นจุดที่พวกเราจะต้องศึกษาว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกพระพุทธเจ้ า, ยยาทำอย่างไงจึงจะรู้ว่าพระองค์จึงยืนยันว่าตายแล้วไม่สูญ พอจิตใจของพระองค์เข้าสู่ความสงบและเกิดฌานเกิดญาณทัศน์น้อมจิตล้ำลึกถึงชาติโผนหลังเห็นได้ชัดเจนเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่ที่นี่เรา ล, ลึกมาสิ ล, ลึกผลหลังด้วยซิว่าเมื่อกี้ในละมาจากไหนตอนเช้าในละมาจากไหนและเมื่อวานมีไหมวันก่อนมีไหมอาทิตย์ก่อนมีไหมเดือนก่อนมีไหมปีก่อนมีไหมเราเกิดมากี่ปีพอจะมาถึงที่นี่ หลายปีเหมือนกันแต่บางครั้งเราก็ลืมไปแต่ไม่เจอเรื่องใหญ่ๆที่มันกระทบกระเทือนเราจริงๆเราจรึงจะจําได้แต่นอกจากนั้นแล้วเราก็ลืมๆ ม, มันไปเป็นวันๆไปแต่เรามีอดีตแน่นอนทุกคนนี่เหมือนกันเพราะพุทธเจา้าสวัสว่าอดีตแต่ชาติมีจริงเพราะฉะนั้นตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แก่ใจแล้วว่าชาติหน้ามีจริงพวกเราถูกไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาท ควรจะสั่งสมคุณงามความดีควรจะสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มาบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้มาประชุมเพลิงพระที่ฐานมรณาภาพพร้อมกันก็ได้สมาทานสินที่หลวงพ่อได้อธิบายสินให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นพวกเราก็ได้ฟังธรรมเทศนาที่หลวงพ่อกาลังแสดงแก่ ให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังคนที่จะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังถ้าคนไม่ได้ยินได้ฟังแล้วจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้นั้นยากเพราะนั้นพวกเราต้องอาศัยการได้ยินหลายครั้งหลายหนหลายคราวครั้งนั้นบางครั้งนี้บางจนกว่าจะเราจะทราบซึ้งในจิตใจของเราจากนั้นจิตใจของเราก็ยอมรับได้เพราะเหตุใดเพราะเรารู้แล้วเพราะนั้น การฟังการศึกษาเป็นหน้าที่ของพวกเราเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะได้นํำทำคําสอนของพระพุทธศาสนามาแนะนํามาสั่งสอนให้แก่พวกเราได้ฟังอย่างในอดีตตชาติอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้พูดกับพระโมคคัลลานะเถระพระโมคคัลลานะเถระเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าทางด้านซ้ายเป็นผู้ แก่งหรือว่าเป็นผู้เลิศขว่าภิกษุทั้งหลายในทางลิเดธเหาะเอิญเดินฟ้าได้เป็นผู้มีอิทธิฤทธิพูดง่ายๆเห็นอดีตเห็นอนาคตเห็นหมดทุกอย่างท่านมีญาณทัศนะท่านมองเห็นปูดเห็นเปรเห็นผีเห็นนรกเห็นสวรรค์ท่านจะมองเห็นอะไรท่านเห็นทั้งหมดวันนั้นพระโมกคลาท่านเสด็จกลมาท่านไปอยู่พันจัมวัด อยู่ที่เขาคิจกูจากนั้นท่านก็เดินลงมากับสหธรรมิกกับเพื่อนของท่านกับลูกน้องลูกศิษย์ของท่านท่านเดินมาอยู่เห็นตีนเขาคิจกูท่านเห็นเปรตตัวหนึ่ง เ, เห็นเปรตตัวหนึ่งตัวยาวมากเหมือนกับเปรตงูลักษณะอย่างนั้นแหละท่านพระโมคคลาท่านก็ยิ้มขึ้นมายิ้มคล้ายๆกับว่าให้เป็นนายแก่พระ ที่เป็นเพื่อนกันท่านบอกว่าพระองค์ตถามว่าพระคุณท่านพระอาจารย์ครับท่านอาจารย์ยิ้มเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรท่านเห็นอะไรท่านรู้อะไรท่านจึงยิ้มครับผมพระโมฆคลาบอกว่าไม่ใช่โอกาสที่จะพูดกันในขณะนี้ไปถึงสำนักพระพุทธเจ้าและยังค่อยถามผมนะผมจะบอกให้ท่านได้ทราบ ถ้าไปถึงสำนักพระพุทธเจ้าก่อนให้ท่านถามผมจะบอกให้ท่านทราบแต่การพูดในขณะ น, นี้คงจะไม่มีสักขีพยานลักษณะอย่างนั้นแหะแต่นี้พระองค์นั้นก่อนอยู่ในใจพอไปถึงพอไปกลา่าวพระพุทธเจ้าพระพุธทธองค์ก็พบคณะสิทธิแนะนําสั่งสอนอะไรท่านแกับอกกล่าวอะไรพอได้โอกาสพระองค์นั้นก็เลยถามพระโมคขลาว่า ท่านโมคลาครับที่เดินลงมาจากตีนเขาที่จะถูกนั้นท่านยิ้มและผมถามว่าท่านยิ้มด้วยเหตุอะไรประคุณท่านท่านตอบว่าให้ถึงสำนักพระพุทธเจ้าก่อนให้ค่อยถามบัด น, นี้มาถึงแล้วกระผมได้ถามท่านท่านยิ้มเพราะอะไรครับผมพระโมคลาก็ตอบว่า ที่เดินลงมาด้วยกันผมเห็นเปรตตัวหนึ่งตัวยาวเหมือนเปรตงูแต่ไฟไห่หัวแล้วก็เอ้อตัวหนึ่งก็ไหมทางหางแล้วก็ลามมาถึงตรงกลางตัวแล้วก็ไหมจากกลางตัวไปผน ล, ละทางหางแล้วก็ไปทางหัวไหมอยู่อย่างนั้นเปรตตัวนั้นก็ทนทุกทรมานดูที่ตีนเขาเออเป็นหน้าเวทนาอย่างมากเพราะนั้น ผมได้เห็นอย่างนั้นผมจึงเลยแย้มคือยิ้มขึ้นมาเพราะได้เห็นกรรมของสรรพสัตว์ทั้งหลายโอ้โหหน้าทุนเรศจริงหนอะกูทำกลับแต่นี้พระพุทธองค์บอกว่าเออใช่โมคคลาเห็นเราเมื่อตัดสู้ที่โคนต้นโพเราก็เห็นหมดสิ่งเหล่านี้แต่เราไม่มีสถีพย า, ยานเราก็ไม่พูดแต่บันนี้โมคคลา ได้เป็นสถีพยานเราแล้วเราก็จะพูดให้ฟังว่าเนี่ยเปรตตัวเนี้ย เ, เปรตคนนี้ยได้ทํากล้ำไว้ในอดีตตะการพระสงฆ์ทั้งหลายก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าเขาเขาทำกล้ำอันไหนหนอพระเจ้าค่ะเขาจึงได้สวยทนทุกทรมานอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าในอดีตในสมัยครั้งพระพุทธเจ้ากัดสปากมีเศรษฐีท่านหนึ่งเป็นพุทธะอุปถาพระพุทธเจ้าท่านก็สร้าง วิหารสร้างศาลาสร้างที่พระสงฆ์ถวายพระพุทธเจ้ากับสปาพระสงฆ์ก็ได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขในวิหารของเศรษฐีท่านก่อนดูแลปณิบัติทั้งเชา้าทั้งเย็นดูแลพระสงฆ์ให้เข้าวัดของท่านเหมือนกับหัวใจ ข, ของท่านเศรษฐีท่านนั้นท่านรักวัดมากแต่วันหนึ่งท่านออกไปแต่เช้ามืดท่านไปตรวจปราดูวัดของท่านน่ะ พอเข้าไปไปเห็นคนคนหนึ่งเป็นะปนอนแล้วเอาผ้าคลุมหัวอยู่คลุมโปงเหมือนกันแล้วก็ตีนรองเท้าเท้ามันเปื้อนมันเปื้อนที่โคนเขาก็ไม่เอาผ้าปิดเหมืนะั้นแต่เขาปิดแต่หัวกับหน้าของเขาเศรษฐีก็เลยไปเดินเดินไปไปเห็นเขานอนอยู่คนเดียวเศรษฐีก็เลยพูดแบบลอยลอยขึ้นมาเออคนคนนี้นะ ดูดูแล้วเหมือนกับคนหากินกลงางค่ำกลางคืนคนย่องเบานั่นดูแล้วตีนของเขาเนี่ยมีแต่ขี้โคลนทั้งหมดนะมีแต่ขี้โคลนแสดงว่าคนนี้เป็นเป็นคนย่องเบาเป็นคนขโมยนั่นเนี่ยรักษณะอย่างนั้ น, นะเศรษฐีเป็นท่านก็พูดให้บริวารท่านท่านฟังท่นนี้ไอ้ไอ้โจรคนนั้นที่มันได้ยินยนันน่ะมันก็โทษทำไมดูถูกเราตามไม่จริง เศรษฐีนี่คนดูถูกจริงๆว่า น, นเะไม่ใช่ดูผิดว่ากันเ่ะว่าคนนั้นเป็นโจรแต่แกก็เป็นโจรจริงๆทิงแต่ว่าโจรมันไม่ยอมรับว่าฆ่านี่ยเป็นอย่างที่ท่านว่ามันไม่ได้ว่าทีนี้มันใครๆโอ้เศรษฐีเนี่ยเธอท่านของรู้เองนะต่อไปท่านองรู้เองเราจะจัดการจากนั้นมาไอ้ชายคนนั้นอ่ะชายโจรคนนั้นอ่ะถูกพยาบาทอาฆาตเก็บใจกับเศรษฐี เผาที่นาของเศรษฐีถึงเจ็ดครั้งนะต่างกลัมต่างบาระนะัะแล้วก็เผาบ้านเศรษฐีบ้างแล้วก็ตัดเท้าวัวของเศรษฐีบัวควายของเศรษฐีเออท้ายๆพอที่จะเบียดเบียนเศรษฐีสิ่งไหนได้ก็เบียดเบียนเศรษฐีในเรื่องนั้นๆพอจากนั้นมันยังไม่หนำใจเพราะว่าเศษรษฐีมันรักอะไรมากกว่าเออมันรักอะไรมากเศรษฐีมันไปวัดทุกวันตั้งเช้าตั้งเย็นคงจะรักวัด เอาเถอะข้าพรเจ้าจะไปเผาศาลาวัดทิ้ง ไ, ไ, ไปแต่ทีพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายในยุคสมัยนั้นสมัยครั้งพระพุทธเจ้ากัดสปะท่านก็ไปบินทบาทตอนเช้าไอ้ชายคนเนี้ยชายโจรคนเนี้ยเนี่ยก็เอาไฟไปเผาไอ่าไปเผาศาลาหลักนั้นขึ้นมาแล้วก็เผาพุติเหมือนกันแต่เนีผลที่สุดก็วอดไวายไปมากพอสมควรจากนั้นเศรษฐีก็มาเห็นเออ พอเศรษฐีเห็นนะเศรษฐีน่าจะเสียใจเพราะเขาเผาสาลาเผากุฏิเศรษฐีกลับดีใจอีกทิ้งโอ้ดีเนีข้าพไปเจ้าจะได้บุญรอบสองอ่าพอเขาไปเขาไปแล้วก็ไม่เป็นไรเน่ข้าพไปเจ้าจะได้บุญรอบสองเอาเองเอาสร้างใหญ่กว่าเกา่าลักษณะอย่างนั้นนะเศรษฐีเลยทําให้ดีขึ้นกว่าเกา่าสร้างทุกอย่างให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาในที่เกา่า จากนั้นพอวันที่จะทําบุญเนี่ยอไอ้ชายหนุ่มคนนั้นเขาคนเอาถ้าทำให้ฆ่าใช่มันไม่จบหรอกจะทําให้อย่างไงมันเจ็บใจมันก็ไม่เจ็บใจเมื่อเผาสาลาแล้วกันยังมันก็ยังดีใจอีกต่างหากเศรษฐีเนี่ย เ, เราต้องฆ่าอย่างเดียวเท่านั้นแ่ะเขาเอาเหล็กใ น, นมีดในพกไว้เงินเลยเอ้าซ่อนมีดไว้ในพกเลยถ้ามีโอกาสมีจังหวะเมื่อไหร่ฆ่าก็จ ะ, ะแทงขวดเมื่อนั้นนะบงังานัะ ทีนี้ก็เศรษฐีก็ง่วนอยู่ในการทำบุญเจวันว่างนันฉลองสลาของตนเองเทำบุญเลี้ยงพระหวังน้ำปานะบังดูแลพระสงฆ์ดูแลใครต่อใครแขกคนเข้ามาในงานของของท่านท่านเป็นเจ้าภาพเนี่ยจ็ดวันออไอ้ชายหนุ่มคนนั้นก็หาโอกาสหาจังหวะไม่ได้เพราะว่ามันคนมันมากแล้วก็ถ้าทำขึ้นไปคิดว่าตัวเองก็คงจะเ อ, อกตัวไม่รอดว่ากัน ก็ไม่กล้าเสี่ยงทีนี้ก็หาจังหวะไม่ได้จากนั้นวันจุดท้ายพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์มาพร้อมกันเศรษฐีท่านนั่นก็สุมังคละนะเศรษฐีนะ่ท่านก็เลยเได้กล่าวคำถวายสาลาถวายกุฏิเสนาชนะทุกอย่างที่ท่านได้สร้างในครั้งนี้แล้วก็ท่านก็บอกว่าข้าไปเจ้าได้ถวายเสนาชนะสง ไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทาในครั้งนี้ตบุญกุศลนี้ข้าพระองค์คิดว่าที่เผาสารานี้คงจะเป็นคนค น, ค น, ค, นคนเก่าคนคนนี้ได้เบียดเบียนข้าพเจ้าหลายหลายอย่าง เ, เผาที่ไร่เผาที่นาเผาที่บ้านตัดเท้าโคของข้าพเจ้าคงจะเป็นคนคนนี้เพราะนั้นที่เผาวัดขาวนี้ก็คงจะคนคนนี้อีกเหมือนกัน บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างโบสถ์ได้สร้างศาลาสร้างเสนาสนะในคราวนี้ข้าพเจ้าขอน้อมบุญกุศลที่สร้างทั้งหมดนี้ให้แก่เขาคนนั้นก่อนแขอให้เขาคนนั้นมีความสุขความเจริญให้มีความพราสุดในจิตใจแล้วก็ขอให้เขามีความสุขกายสบายใจทุกอย่างข้าพเจ้าจะรับส่วนบุญต่อเมื่อภายหลัง อันนี้พอเขาพูดจบเพียงแค่นั้นไอ้ชายหนุ่มคนนั้นได้ยินโอ้โหขนาดเราเบียดเบียนเขาเขาถึงขนาดนี้เขายังมีน้ําใจอุทิศส่วนกุศลน้อมจิตอุทิศถาวายมอบกุศลให้แก่เราอีกต่างหากเอถ้าเราคิดจะเบียดเบียนเขาอีกคงจะไม่เป็นผลดีสําหรับเราแน่นอนจากนั้นชายคนนั้นก็เข้าไปหมอบกราบที่เท้าเศรษฐีขอโทษขออภยัยเทะครับท่านเศรษฐี เศรีก็ตกตลึงอีกเหมือนกันในที่สาธารณะทำไมท่านบอกว่าชายหนุ่มคนนั้นก็บอกว่ากระผมที่ท่านพูดนะ่ะที่ผมได้เบียดเบียนท่านมากมายอย่างที่ท่านได้พูดจริงๆเผาที่ไร่ทีนาเป็นผมทั้งหมดแล้วก็เผาที่วัดนี่ก็ใช่เพราะนั้นขอให้ท่านเอโศสิให้แก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจา้ารู้โทษแล้วเห็นโทษแล้ว ข้าพเจ้าทำผิดข้าพเจ้าขอเป็นทาสรับใช้ท่านทั้งลูกทั้งเมียทั้งตัวของข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะเป็นข้ารับใช้อย่างดีสำหรับท่านต้องการใช้ข้าพเจ้าอย่างไรข้าพเจ้ายินดีทุกอย่างเศรษฐีท่านก็บอกออใช่ท่านก็คิดในใจเลยเศรษฐีขนาดเราพูดเพียงเอคำนั้นคำเดียวเท่านั้นแหะมันยังผูกพยาบาทอาฆาตถึงขนาดนี้ ถ้าลำมันมาเป็นลูกน้องเราละ่ะถ้ามันโมโหขึ้นมาละ่ะมันจะไม่ยิ่งกว่าอะไรเลยเจตีก็คิดได้อย่เจตีเออดีละ่ะชายหนุ่มไม่เป็นไรหรอกนะ เ, เราก็รับไว้แต่ว่า เ, เราไม่เอาเพราะลูกน้องบริวารของเราก็มีมากอยู่แล้วยินดีเราให้อภัยทุกอย่างนะให้จบกันไปนะเราก็ขออภัยจากท่านด้วยนะที่เราได้พูดในวันนั้นนะ เ, เป็นความผิดของเราเหมือนกัน เนีพ่พอเร า, เาพูดแบบไม่ได้คิดเหมือนกันว่าจะทำให้ท่านช้า อ, อกช้าใจเสีย อ, อกเสียใจเพราะนั้นขออภัยอย่างมากด้วยนะเศรษฐียังขออภัยกับเขาอีกจากนั้นก็เลยเกมกันนะจากนั้นก็เลยหยุดกันแต่กลัมตัวนีนะ้ที่กลับทำตัวเองนะ่กลัมคือการกระทำตัวเองตัวนี้มันไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นให้ผลอยู่ตลอดเวล่ํเวลา แต่ดนตกอเวจีมหานารกเสร็จแล้วเขาก็ขึ้นมาเสวยความทุกข์ในเมืองมนุษย์อีกที่พระโมคคราไปเห็นที่ตีนเขาคิตกูดดัะนั้นสรุปแล้วก็คืออย่างที่โลกงพ่อดิยกเป็นพุทธภาษขึ้นว่าอากักขตังทุกขตังเสยโยปัจฉาตปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่า เพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อพายหลังเพราะนั้นคณะสัตยาติโยมลูกหลานทุกคนกรรมชั่วถึงจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามจะเบียดเบียนจะฆ่าคดโกงคนอื่นเขาอะไรก็ตามผิดศีลธรรมอย่าทำถ้าทำไปแล้วกรรมนั้นจะไม่ไปไหนจะมาสู่ใจของพวกเราท่านทัน้งหลายถ้าว่าพวกเราเกิดมาพบหน้าชาติหน้าพวกเราก็จะได้พบไปเจอ ตายแล้วไม่สูญอย่างที่หลวงพ่อได้พูดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมที่โคนต้นโพท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญเพราะนั้นเปรตตัวนี้ก็เหมือนกันท่านตายไปแล้วมันไม่สูญไปตกนรกหมกไหมขึ้นมาแล้วได้สวยกล่ำกล่ำคือตัวเองได้กระทําไว้กับศาสนาของพระพุทธเจ้าก็จะปะคือได้เผาสาลาของท่านกล่ำนั้นไม่ไปไหนก็มาสู่จิตใจของมานพคนนั้นอ่ ะ, อะมาถึงชายโจรคนนั้นอ่ะ ส่วนท่านเศรษฐีท่านก็ไปจุตินิพพานไปแล้วบุญกุศลของท่านเกื้อกูลหนุนไปแล้วแต่บาปกรรมอกุศลตัวนี้ทําให้ชายหนุ่มคนนั้นได้รับทุกทรมาร์ทพ้นทุกเรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้นะถ้าว่าพวกเรานั่งภาวนาวก็ดูดเูเล่งเล่งชาญไปดูก็ได้แต่ว่ามันพ้นหรืยอยังมันพ้นจากเปรตหรืยอยังแต่อย่าไปดูเถอะนะดูตัวเองดูตัวขวกเราดีกว่า เท่าดูคนอื่นเท่ากระเท่านั้นแหะเห็นแต่ความทุกข์ของคนอื่นเขาให้ดูใจของเรานั้นดีกว่านะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าขยัวยธรรมมาสร้างฆาราอัปมาเดนะซัมปาเดธาตีติเนี่ยที่หลวงพ่อได้พูด สรุปแล้วก็พูดยาวท่านว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างที่มหาภูรินอย่างที่ท่านมรณาภาพไม่น่าจะจากไปเร็วถึงขนาดนี้แต่ท่านก็ได้จากไปแล้วท่านเขาไม่คาดคิดเหมือนกันแต่ก่อนหน้านี้ท่านก็ไม่ได้มีอะไรแต่ก่อนเข้าพรรษาเดือนกรกฎาท่านเองมีอาการขึ้นมาท่านก็ไปหาหมอหมอก็แนะนําว่าอาจจะเป็น ก้อนในตับจากนั้นทา่านก็ไปโรงพยาบาลชีรีราช์ตอนชีริราต์เขาก็น่าจะผ่าตัดเอาตับเอาก้อนออกโป้ผ่าตับเข้าไปแล้วเป็นมะเร็งมะเร็งคํานี้นะ่ะถ้าใครเป็นที่ตับแล้วหมอสมัยก่อนเขาบอกไม่เกินสามเดือนพูดอย่างนั้นได้ถ้าเป็นมะเร็งตับเพราะฉะนั้นถ้ามะเร็งเป้าใส่ตรงไหนถ้าไม่ผิดเป้า่างนั้นแต่อันนี้ท่านมาหาภูรินของพวกเราก็เหมือนกัน มาเล่งเล่งถึงท่านแล้วท่านก็จะต้องจากจากโลกนี้ไปแต่ถึงยังไงท่านก็ได้สังสมคุณงามความดีท่านได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเป็นภาวนาปฏิบัติธรรมกรรมาฐานสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของท่านหลวงพ่อมั่นใจเหลือเกินว่าท่านคงไม่ตกต่ำนะบุญกุศลที่ท่านทําไว้ดีแล้วนั้นก็จะเกื้อกูลห น, นุนท่านให้ไปสู่สุคติภูมิของท่านที่ ท่านได้กระทํา่าว่าท่านละกิเลสก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านก็ได้ศึกษาได้ปฏิบัติในทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติปริยัติคือท่านท่านได้เรียนศึกษาแล้วก่อนที่ท่านจะตายท่านจะคิดอย่างไรท่านจะคิดอย่างไรท่านก็ต้องคิดมาหาภาคปฏิบัติของท่านเออถึงข่าวเราแล้วเหนือเนี่ยเราต้องตายแน่ละข่านี้ท่านก็จะเข้าสู่จิตใจดูใจของท่านละ กิจใจของท่านจะไม่คิดปร่งฟุงออกไปข้างนอกเพราะว่าถึงจะคิดโปร่งออกไปข้างนอกก็เท่านั้นโลกอันนี้อันไหนคือความสุขที่แท้จริงมันหาความสุขไม่ได้มาถึงจุดตีมีแต่ความทุกข์เท่านั้นเองเพราะนั้นถึงจะเกิดในภพหน้าชาติหน้าเราจะต้องทุกข์อย่างนี้ก่อนตายเพราะนั้นพระหันบางองค์ท่านก่อนที่ท่านจะละสังขารก่อนที่ท่านจะใจขาดตาย ท่านจะพิจารณารรมในจุดนี้ต่ว่าสัมมาสีสีใจของท่านหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสในขณะที่จูนเจียร์จะทิ้งขัน อ, อันนี้ก็มีพระหันต่างเยอะแยะในครังพุทธกาลนี้ก็เหมือนกันพวกเราก็ไม่ควรจะปลามาดท่านเหมือนกันท่านอาจจะทิ้งขันในช่วงที่ท่านเห็นสัมมาสีสีท่านปล่อยวางในขณะนั้นก็ได้เพราะนั้นในพวกเราท่านทัน้งหลาย ให้เตรียมตัวเอาไว้เพาราะมรณะภัยข้างหน้ามีจริงไม่มีใครที่จะหลีกเลี้หนีพ้นไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันเอาความจริงมาพูดให้กันฟังเพราะพระพเจ้าท่านตรัสกับพระอา น, นุ์ว่าอา น, นุ์เธอระลึกถึงความตายวันกี่ครั้งพระอานุ์บอกว่ า, วาประมาณวันละร้อยครั้งเถะเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่ า, วาประมาทยังประมาจอยู่ต้องคิด แล้วนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าหายใจไม่เข้าก็ตายหายใจไม่ออกก็ตายเพราะฉะนั้นความตายอยู่ที่ปลายจมูกของเราเท่านั้นเพราะฉนั้นให้ระลึกไว้อยู่เสมออันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนพระสาวกของพระองค์และพวกเราท่านทั้งหลายสหาญาติโยมทั้งหลายได้คิดอย่างนั้นหรือเปล่าได้คิดอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกกล่าวหรือเปล่าบางทีเป็นเดือนเป็นปี ยังคิดถึงความตายยังกลัวความตายไม่อยากจะคิดอีกต่างหากแต่ตามทีจริงถ้าคิดอย่างนั้นไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจา้าท่านลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วต้องระลึกถึงความตายไปอยู่เสมอทํำไมพระพุทธเจา้าจึงให้ระลึกถึงความตายเพราะว่าคนเราเนี่ยกลัวตายกลัวอย่างอื่นเห็นคนอื่นตายเออตายก็ตายแล้วจะว่ายังไงเราพูดได้แต่พอมาถึงตัวเองจะตายเท่านั้นอ่ะเออมันมีความรู้สึกอย่างมาก หัเข่าอ่อนไปเลยว่างั้นเอยปากสั่นไปเลยยิ่งจะรู้ว่าหมอเขาบอกว่ามะเร็งของคุณนี่นะอีกไม่นานละจากนี้ไปเท่านั้นเท่านี้เดือนอย่างนี้โอ้มันไม่ยากจะได้อะไรทั้งหมดเผอเผื่อยังตายเร็วกว่าที่หมอบอกอีกต่างหากเพราะเหตุไรเพราะหมดกําลังใจเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายความตายความตายคํานี้เนะี่ยไม่ใช่ของเล็กน้อยเป็นเรื่องที่ตัดพบตัดหมูตัดเพื่อนตัดวงสาขานายาตัตดทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะนั้นขอให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาททาไมพระพุทธเจ้าจึงให้ระลึกถึงความตายเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าเราระลึกถึงความตายเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสิ่งไหนที่เป็นกุศลบุญกุศลเราจะทําสิ่งนั้นเราจะโกรธโมโหโโธท้าให้แก่ใครเราจะโลภโลเลโลภสิ่งไหนก็ตามเราจะมีประมาณเราจะมีประมาณจะไม่โลภจนเกินไป เกดโกรดให้ใครก็จะไม่โกรธจนเกินไปจะรักใครก็จะไม่รักจนเกินไป เ, นไเพราะเหตุใดเพราะรออีกสักวันหนึงเราก็จะต้องจากกันอยู่แล้วอีกสักวันหนึ่งไม่วันใดก็วันเราก็จะจากกันเพราะนั้นท่านจึงให้ระลึกถึงความตายถ้าคืถาถ้าพวกเราระลึกถึงความตายมาอยู่เสมออุ่นทบภูมิในจิตใจของเราจะไม่เดือดมากเกินไป แต่ถามว่าพวกเราไม่ระลึกถึงความตายถ้าโกรธให้ไกรก็โกรอถ้ารักใครก็รักอจนไม่ลืมหูลืมตาไม่คิดว่าตัวเองจะตายนั่นแหละแต่บางทีความโกรธตัวนี้แหละทําให้เส้นเลือดแตกให้สมองตายได้อีกเหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะว่าเราไม่ระลึกถึงความตายเพราะฉะนั้นถ้าคนระลึกถึงความตายแล้วความพอดีจะอยู่ในใจของพวกเราทัานทั้งหลาย วันนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมคุณงามความดีให้ระลึกถึงคุณงามความดีเอาไว้คุณงามความดีมีมากมายหลายอย่างอย่างทานศีลภาวนาในหลักของพุทธศาสนาทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนพวกเราให้ให้ทานพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านตรัสไว้ว่าคนเราเกิดมาต้องมีหมู่มีเพื่อนมีพ่อมีแม่มีวงศานาติอย่างนี้พวกเราจะต้องมีการเสียสละ ให้ชุมชนให้สังคมให้แก่ประเทศชาติแล้วก็ให้วงศาคณาญาติผู้ใดตกทุกข์กระยากพวกเราควรจะมองมองกันถ้าเรามีแล้วเราควรจะมองกันแต่ถ้าเราตกทจนอยู่เราก็เออพยายามตะเกียด ต, ตะกายพยายามเอาตัวให้รอดอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่พอเราพอมีอันจะอยู่จะกินแล้วพวกเราก็ควรจะเฉลือเผื่อแผ่ให้แก่วงศาคณาญาติญาติทิศหายสาธารณประโยชน์อย่างเมื่อวานเนี่ย หลวงพ่อเองก็ไปทอดผ้าป่าที่วัดหลวงตาหลวงปู่ลีเป็นประธานหลวงปูรีท่านก็คงจะคิดว่าเออในช่วงนี้ก็ถินผ้าป่าก็ผ่านวัดไปแล้ววัดวั ด, วดบางวัดก็คงจะไม่ได้ใช้าจอะไรมากแต่บางวัดที่จะสร้าง อ, อ, อะไรอยู่ก็ไม่ว่ากันแต่วัดไหนมีความจำเป็นเก็บใครได้ป่วยก็ไม่ว่ากันแต่วัดไหนพอที่จะมาช่วยสงเคราะห์ก็มาทาบุญสร้างตึกสงอาพาธ ตึก96ปีหลวงตามหาบัวยนต์สำปันโนเนี่ยแอพวกที่จะมาร่วมกันได้ก็คงจะมาร่วมกันเมื่อวานนี้ก็เลยมีการทอดผ้าป่าขึ้นมาหลวงพ่อก็เลยรวบรวมจะตปัจจัยของวัดนะได้ไปร่วมช่วงช่วยสงข้อเข้าสร้างโรงพยาบาลเมื่อวานเงินวัดเงินกระถินของหลวงพ่อเนี่ยรวมสมทบไป 521,000 บาทนะ อันนี้ก็คือการสงเคราะห์ชุมชนและสังคมอันนี้คือทานนี่อันนี้ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายท่านหลวงพ่อไม่พูดให้ฟังพ้าสงฆ์ท่านช่วยอะไรช่วยเครื่องมือแพทย์ช่วยหลวงรัมหลวงเดนอย่างลวงตามหาบัวที่ท่านช่วยอันนั้นก็คือสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์โลกอันนี้คือทานนะคำว่าทานคนําไม่มีหลายอย่างอันนี้เรียกว่าอามิษฐานอาภัยยทาน วิทยาทานวิทยาทานก็คือให้ความรู้ความฉลาดแก่เขาเมื่อเขาโง่เง่าเต่าตูดไม่รู้จักทำมาหาเลี้ยงชีดเราก็แนะนําสั่งสอนเขาท่นที่เราวิทยาทานธรรมทานก็อย่างที่หลวงพ่อกําลังจะพูดให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังว่าศีลห้าเป็นอย่างนี้น ะ, ะควรจะทําคุณงามความดีอย่างนี้นะอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวทั้งหมดนั่นเออันนี้เรียกว่าธรรมทานอภัยทานก็คือมีคนร่วงเกินเราเราไม่สบายใจ อย่างที่เศรษฐีน่นนะกัแบบคนคนนั้นกนะับโจรคนนั้นเศรษฐีก็ให้อภัยได้ว่าให้อภัยทานนี่นนะคาว่าทานทานทำไม่มีมากมายหลายอย่างแต่ได้มาพูดถึงเรื่องศีลถึงศีคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวก่อนที่จะสมาทานศีลเรื่องศีลห้าอันนี้ก็คือศีลของคราวะศีลห้าประการและศีลอุโบสถ คือศินขัดเกลากิเลศอันนั้นก็คือศินแปดสินแปดคือติกาลรลโภนักเทีมาลาอุจจาอันนี้ก็คือสินแปดสิแปดคือสินขัดเกลาถ้าว่าอย่างพระกว่าพระผุ้ดงกรรมฐานเนี่ยนะถ้าว่าใครไม่รักษาผู้ดองเตระชาผู้ดงะสะิบสามไม่ปรับอาบัติแต่ถ้าว่ารักษาผุ้ดงสิบสามเป็นผู้ขัดเกลากิเลศ ถ้าผู้ไม่รักษาไม่ผิดต่อหลักพระธรรม ไ, ไนินายไม่ผิดต่อศีลเนี่ที่ท่านมหาอยู่ที่นี่ก็คงจะหลายองค์ที่หลวงพ่อพูดเข้าไปนี่ก็คงจะเข้ากฎเกณฑ์เหมือนกันนะนขอให้พวกเราได้ฟังว่าศีลแปดนี่คือศีลขัดเกลว์เหมือนกับทุโดงขวัตของพระพระโดยมากคนโดยมากติดในรถอาหารวิการะโภชนาเวรมณีติดในรถบางคนไม่ได้กินอาหารเโอ้โหมันทุกข์มันร้อนมันทุกข์มัน ก็ฟัดกับเ ฟ, ฟือดเหมือนกันเถอะเหมือนกับนั่แหละกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ตายที่จะโสทร น, นั่นแหะคือขาดไม่ได้กินอาหารอให้เขาเห็นอาหารกล่องน้อยมาเกิว่าตัวเองจะไม่กินึงฆ่าแม่ตายก็กินข้าวเข้าไปแล้วข้าวไม่หมดดูสิขนาดฆ่าแม่ตายทั้งคนแล้วยังมีน้ําใจกินข้าวอีกต่างหากหมนุษย์มันามันเหลือทนจริงๆนะผลที่สุดร้องห่มร้องไห้ได้สร้างเจดีย์ขึ้นมา แล้วว่าเป็นนิทานพินมเ์ว่ากล่องข้าวน้อยข่าแม่ตายอันนี้ก็เหมือนการเรื่องอาหารไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะผู้ได้เจ้าว่าวิการและโภชนาะตัดนะ ล, ลดลิ้นดูซิอยากกินข้าวดูซิตั้งแต่เที่ยงแล้วไปเป็นยังไงใจของเรากับเพิ่อนยังไงใจของเรามีความทุกข์อย่างไรในขณะที่เราไม่ได้ทานอาหารอันนี้ก็คือศินข้อที่หกนะข้อที่7นัตจนะีนัตกคีคือไม่ให้ฟังเสียงร้องรามทําเพลง ไม่ให้ร้องเพลงเองไม่ให้ร้องรําทําเพลงไม่ให้ฟังเสียงดนตรีนะอันนี้ก็คือคนเราเนี่ยนะบางคนเนี่ยพอไปทานอาหารที่ไหนถ้ามาได้ยินเสียงดนตรีขึ้นมาแล้วไม่สนุ ก, กว่างั้นพอได้ยินเสียงดนตรีแล้วกินข้าวเขไปขาขบกรดิกมือปกระดิกว่างั้นห้วยลายนี่แหละพราะพระเจ้าทำให้ตัดอารมณ์ทางหูออกทําให้จิตใจกับเพื่ออ่ะอันนี้ก็คือทัตตะมาลาคันทาวีเล บางคนก็ติดในกลิ่นถ้าไม่ได้กลิ่นหอมตลอดเวลาลเวลาใจไม่สบายเพราะพระพุทธเจ้าตัดออกอารมณ์ในกลิ่นเอันนี้ก็คือมาลาคันเท่าปิเลและอุจจารไสยณมหาสานะัญญาอันนี้ก็คืออารมณ์การรับสัมผัสทางร่างกายคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้นอนที่นอนนุ่มยัดนุ่นและสำมรีแปลว่าติดในที่นอนของตนเองเพราะพระพุทธเจ้าอย่านอนในที่นอนดูสิเป็นยังไง ในเมื่ออย่างมหาภูรินเห็นไหมเขาจัดเข้าหีบแคบแคบอย่างเนี้ยหีเข้าหีบเข้าโลงอย่างเนี่ยเป็นยังไงอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องโดนอย่างนั้นบ้างไม่ไม่แพ้กันเพราะนั้นเราอย่าไปคิดติดในที่นอนหมอนมุ้งจนเกินไปให้คิดด้วยอีกสักวันหนึ่งเขาจะต้องออกจัดเข้าหีบแคบแคบโลงแคบแคบอย่างนั้นเราไม่ได้นอนที่นอน อนะย่าหลุดระทมลีหรอกเพรานั้นอย่าไปติดมันจนเกินไปอันนี้คือสิ น, นีแปข้อเนะี่ยสิบุบโสดสินเป็นสินขัดเกลากิเลสให้ดูใจตัวเองทั้งนั้นนี่แหละเหมือนกับทับเปรียบเทียบกับเหมือนกับเตระสะทุรงสิบาไม่แพ้การกับของพระนะนะอันนี้คือสิลสําหรับสินอย่างคือสินพระสงฆ์ศินพระสงฆ์คือศินสองี่สิบนี้หลงพ่อไปที่ใดในเอ็สหลงพ่อหลงพ่อก่อเออ ภูบาญาณพส่์ลูกหลานพระเนนพวกเราเป็นสาวกยบุตรพุทธชินโนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราเป็นสาวกยบุตรเราควรทำควรทำตัวให้เหมาะสมเมื่อเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเราก็ควรจะทำตัวให้เหมาะสมถ้าเราทำตัวไม่เหมาะสมอันนั้นแปลว่าไม่ใช่ลูกของพระพุทธเจ้าขอให้มองตนเองอยู่เสมอ ไม่มีใครที่จะมองตอนเองยิ่งกว่าตัวของเราเองเพราะฉะนั้นหมู่พวกเพื่อนพระสงฆ์ลูกหลานทั้งหลายก็ขอให้มองตอนสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทํำทุกวันนี้รู้สึกว่าสื่อต่างๆหนาหูเกินเรื่อยๆออบางทีองนั่นทําที่นดองนี้ทําที่นี่แต่ถึงยังไงในสมัยก่อนไม่มีสื่อกระจายกระจัดกระจายหรือว่าแย้งข่าวมาถึงอย่างทุกวันนี้อย่างทุกวันนี้ข่าวออกมาเนี่ยแต่ลวงพ่อเขาไม่ได้อ่านทุกวีทุกวันหรอก ถ้าอ่านพวกวีตะวันหลวงพ่อของคงจะเศร้าซึมไปเหมือนกันแต่นานๆเขาจะมาพูดให้หลวงพ่อฟังครั้งหนึ่งแต่พอได้ยินแล้วก็หลวงพ่อก็ไม่สบายใจกับหมู่พวกเพื่อนเพราะสหธรรมิกสากพยุตรถ้าจะว่าไปเหมือนกับอยู่ในตะกร้าไปเดียวกันถ้าองค์ไหนาทาไม่ดีมันกระเทือนกันไปทั้งหมดเพราะนั้นขอฝากไว้กับพรุ่นพาลานพาน้องพานุานทั้งหลายทุกอง อยู่นสถานที่ใดให้ประกอบคุณงางความดีให้สั่งสมคุณงามความดีให้รักษาความดีของตนเอาไว้ถ้าว่าพวกเราทําไม่ดีแล้วศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทเขาจะตำหนิพวกเราได้ให้พวกเราคิดไปอยู่เสมอว่าข้าพเจ้าทําตัวอย่างนี้ข้าพเจ้ากราบข้าพเจ้าลงไหมถ้าพวกเราทําตัวไม่ดีมีที่รับมีที่แจ้งเรากราบตัวไม่ลงนะกราบข้าพเจ้าไม่ลงเพราะเหตุไรเพราะตัวเองทําตัวไม่ดี เนี่ยถามว่าข้าพเจ้าทําอย่างนี้ข้าพเจ้ากราบข้าพเจ้าลงไหมกราบลงได้ถ้าเราเป็นฆราวาสญาติโยมแล้วเป็นใครก็ตามกราบข้าพเจ้าได้ถ้าทําตัวอย่างนี้นั่นแหะเราไม่มีที่รับเราไม่มีที่แยงเราเป็นพระสมบูรณ์ปฏิบัติตามธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราแต่ส่วนราชการก็เหมือนกันนี่ไม่ใช่แต่พระนะคณะสภาญาติโยมก็เหมือนกันเออราชการ แต่พวกท่านทั้งหลายได้รับเงินเดือนรับเงินเดือนมาจากใครมาจากพี่น้องประชาชนคือเงินภาษีอากรการทำงานของพวกเราเนี่ยคุ้มค่ากับเงินที่เขาว่าจา้างไหมอันนี้ก็ให้พวกเราทบทวนดูอีกเหมือนกันถ้าว่าพวกเราให้ควรทบทวนดูตัวเองไว้อยู่เสมอแล้วความสงบพร่อมเย็นเป็นสุกไม่ต้องถามหาใครหนึ่งบวกหนึ 2, 2่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่ มันจะบวกคุณงามความดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าว่าคนนั้นก็ทําความชั่วนิดคนนั้นก็ทําความชั่วหน่อยพระสงฆ์ก็ทําความชั่วขารวะวัดาจ่าโจงก็ทำความชั่วชั่วตัวชั่วชั่วหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสถ้ามากๆคนเขเท่าไร่ความชั่วก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเพราะเหตุไรเพราะต่างคนก็ต่างทําความชั่วเสียหายเกิดขึ้นมาในชุมชนและสังคมในยุคนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทัน้งหลายหลวงพ่อ พูดกล่าวทั้งนี้ทางนั้นไม่ได้พูดดูถูกเหยียบย่ำลังแกเบียดเบียในผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นพูดเป็นภาพรวมให้แกพวกเราให้โอปัญญิโกให้มองตอนเองข้าพเจ้าทําตอนอย่างนี้เป็นอย่างไรข้าพเจ้ายอมรับข้าพเจ้ารู้อย่างว่าข้าพเจ้ามีคุณคามความดีอย่างไรเพราะเพราะนั้นธรรมะของโอพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปัจจิตตังธรรมะเป็นปัจจิตตัง ผู้ปจิบัติย่อมรู้ด้วยตนเองและก็ความขาดตกบกหร่องก็ไม่ต้องถามใครถามตนเองแต่ถ้าพวกเรามองตนเองดูตนเองไว้อยู่เสมอความสงบพร่อมเย็นก็จะเป็นสุขถ้าพวกเรามองต่อคนอื่นคนนั้นน่าจะทําความดีคนนี้ น, น่าจะทําความดีนนมดชี้ออกไปข้างหน้าเรื่อยๆตัวเองเป็นอย่างไรตัวเองทําความชั่วใช่ไหมชอบความชั่วใช่ไหมแต่อย่าใช้คนอื่นทําความดีอย่างนั้นใช่ไหม อย่างนี้ขอให้พวกเรานึกดูตนเองอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวอันนี้ก็ขอฝากไว้กับพระคณะสัท ธ, ธาญาติรวมโลูกหลานพุทธบริษัทสีทุกท่านนะอันนี้ก็คือการเป็นอยู่เรื่องสิงเรื่องสมาธิคือความนึกคิดในใจของเราสมาธิหลวพ่อท่านยสอนถึงความนึกคิดคือสมาธิคือทำจิตใจให้สงบทาจิตใจให้เป็นหนึ่ง อันนี้คือเป็นหน้าที่ของพวกเราเหมือนกันถ้าว่าพวกเราปล่อยจิตปล่อยใจจิตใจปุ่งฟุง้งซ่านพวกเราเห็นไม่คนที่มีจิตใจปุ่งฟุง้งซ่านนี่เดินอยู่ข้างถนนผมยาวๆไม่อาบน้าพายจะพายของผุ่งลักอันนั้นแปลว่าคนขาดเจติคนคิดปุง่งฟุ้งซ่านมากๆทำให้เสียหายได้เพราะนั้นพวกเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นความนึกคิดจะทำยังไงแต่พระพุทธเจ้าบอกว่า กุญแจดอกสาคัญที่จะไขเข้าสู่คุณงามความดีนั้นคือสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวให้มีสติในการเป็นอยู่ในแนวความคิดในการพูดในการกระทำการที่จะคิดสิ่งใดก็าตามไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นการที่จะกระทำสิ่งใดก็าตามจะไม่ทำเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่น การที่จะพูดสิ่งใดก็าตามเราจะไม่พูดเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราศีลและธรรมเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเราทั้งทั้งหลายสมาธิคือทําใจให้มั่นคงทําใจให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตใจของเราเป็นหนึ่งแล้วพวกเราจะมองเห็นความดีความชั่วของเราเราจะประจักษ์ความชั่วของเราออกได้แต่ถ้าพวกเราจิตใจปุูงฟงซ่านอย่างที่ว่าแล้วเราจะไม่รู้จักความดีความชั่ว เราจะไม่รู้จักอะไรทั้งหมดไปนั้นขอให้พวกเราทุกกท่านพรพระพุทธเจ้าสอนสอนธรรมะหรือว่าสอนคุณธรรมศีลธรรมไม่ได้สอนให้คนตายนะอย่างที่มหาครูที่ในท่านไม่สอนพรนะพุทธเจ้าไม่สอนมีแต่พวกเราจะประชุมเพลิงแหละเรียนสอนแต่พวกเราท่านทั้งหลายนะสอนให้พวกเราขณะยังมีชีวิตอยู่เดียวนี่แนหะควรจะสังสมคุณงามความดีอย่างไรเมื่อตายไปแล้วก็สอนไม่ได้นะแล้วก็ พวกเราคิดไว้อยู่เสมอว่าในขณะที่เรายังมีชีวิตยอยู่เราจะพยายามสั่งสมคุณงามความดีเอาเองถ้าพวกเราไม่ใช่ว่าเมื่อเราตายไปแล้วยังบอกให้ลูกให้หลานทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เรานะทําบุญให้เรานะเงินอยู่ที่นั่นที่นี่นะอันนั้นก็หลวงพ่อว่าไม่ดีเหมือนกันไม่ถูกต้องสิ่งไหนที่เราควรจะทําเราควรจะทําเอาขณะยังมีชีวิตอยู่เมื่อตายไปแล้วอย่าไปคิดอย่าไปหวังว่าให้คนอื่นทำให้แก่เรา บางปีอาจจะผิด พ, พลาดขณะยังมีชีวิตอยู่เราสั่งให้เขาทําเขายังทําผิดพลาดพลาดให้เราได้เห็นแเมื่อเราตายไปแล้วไม่เห็นเราแล้วนะเขาจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนไหนที่เราจะทํากุญงางความดีการทํากุญงางความดีนั้นไม่ใช่แต่มีตถาทานอย่างเดียวนะรักษาศีลก็ใช่ภาวนาก็ใช่ภาวนานเป็นสิ่งที่เป็นจุดที่จําเป็นสําคัญในหลักของพุทธศาสนาเรื่องภาวนาเป็นเรื่องที่ เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ให้ทานร้อยครั้งสู้รักษาศีลบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งสู้นั่งภาวนาจิตสงบครั้งหนึ่งไม่ได้ท่านเรียนลาดับขึ้นมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่เอาจอดแห่งบุญแห่งกุศลเหรอนั่งสมาธิซินั่งสมาธิไม่ยากถ้าเราเรียนรู้เรื่องสมาธิแล้วก่อนหลับนอนหรือว่าก่อนที่วัน คืนหรือว่าตื่นเช้าวกช่วงไหนบางว่าเราอยู่ตามลำพังนะเราดับนะโทรศัพท์ไว้ดับวิทยุดับโทรทัศน์ดับสิ่งที่จะรบกวนไว้ทั้งหมดซะก่อนจากนั้นเราก็ไหว้พระยกอาลังสวาสาโตสุปฏิปันโนนะโมตัสสะจากนั้นก็เราแผ่เมตตาข้าไปเจตญญกก้ต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสับอื่นวิญญาณอื่นทวดไรโลกธาตุต้องการความสุขอย่างไร ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรก็ขอให้ขั้นท่านทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาจากนั้นพอไหว้พะระแผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ น, นั่งสมาธิทันิีขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทากายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าพุทธหายใจออกโถเพียงแค่นี้ละ่ะวิธีการทําสมาธิจากนั้นเราพยายามทําเรื่อยๆครั้งนี้ก็ได้ครั้งหน้ากระไรความอดทนของเรา เ, เราทําอย่างงานอย่างอื่นเรายังอดทนได้แต่เราทําสมาธิยี่สิบสานาทีไม่ได้เหลือทีแรกห้านาทีก่อนออต่อไปก็ทํามากขึ้นเรื่อยๆพยายามทําสติกําหนดบังคับจิตใจของตนเองให้อยู่กับอารมณ์จากนั้นจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบ เมื่อจิตใจเข้ารูปเข้าสู่ความสงบแล้วเห็นค่ามีประโยชน์แล้วเหมือนกับเด็กสมัยก่อนๆเด็กไม่รู้ว่าการเรียนหนังสือนั้นมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรเขาก็ขี้เกียจเมื่อให้เด็กไปเรียนหนังสือมีเด็กคนไหนบ้างพวกเราเห็นไหมน้อยคนมากที่ให้ไปเรียนหนังสือแล้วไปได้โดยมากจะงองแงไม่ยอมไปเพราะเหตุไรเพราะเด็กไม่รู้คุณค่านี้ก็เหมือนกัน เราฝึกหัดนั่งสมาธิทีแรกลักษณะอย่างนั้นแหะเราไม่รู้จักคุณค่าแต่เมื่อเรารู้จักคุณค่าจิตงใจของเราได้รับความสงบแล้วนั่นแหะเราจะเห็นคุณค่าแห่งการทําสมาธิของพวกเราขอให้พวกเราทั้งทั้งหลายเมื่อทําสมาธิแล้วจิตของเราจะเข้าสู่ความสงบอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ทันได้ไปนั่งอยู่ที่โคนต้นโคนจิตขององค์เข้าสู่ความสงบแบบภพเภณีวาสานุสติญาและลึกชาติผลหลังได้ พอถึงเที่ยงคืนจิตของพระองค์แน่วแน่เขาปกิวัดจุตูปะ ป, ะ ป, ะปะาแต่ยากการจุติสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาจากที่ไหนมาที่ออกจากทีนี่ไปอะไรไปที่ไหนไปพะอ้วยเหตุเหตุหผลอะไรทําไมจึงไปอย่างนั้นพระพุทธเจ้ามองเห็นรู้ได้หมดว่ากรรมคือการกระทําถ้าเขาทํากรรมดีเขาจะต้องไปสู่ไปสุขสู่ทางดีถ้าเขากรรมทํากรรมชั่วเขาจะไปทางชั่ว อยากมานบโจรที่ตายไปแล้วไปตกนรกออกจากนรกมาแล้วม า, ม, ามาเกิดเป็นเปรตงูอย่างนั้นอ่ะอันนี้คือเขาทํากลัมไว้ในอดีตอดีคืออะไรคือเขาเออบพวีหารเผาศลาพ ร, ระพุทธเจ้ากัสปะเผาพุทธิพระสงฆ์นี่แหละบากรัมตัวนั้นให้ผลนี่แหละวิญญาณทุกวิญญาณอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ที่นี่กูเหมือนกันกลัมที่ตกแต่งมาไม่เหมือนกันเราเป็นคนเหมือนกัน แต่ฐานะไม่เหมือนกันใบหน้าใบตาไม่เหมือนกันการเป็นอยู่ไม่เหมือนกันความทุกข์ยากสุขภาพร่างกายไม่เหมือนกันเพราะเหตุไรเพราะกรรมคือการกระทําในอดีตให้ผลส่งผลเรามาเกิดจึงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ได้พบพพุทธศาสนานับว่าเป็นผู้โชคดีเป็นผู้มีบุญกุศลได้ทํากรรมดีไว้ในอดีตชาติจึงได้มาพบ มาเกิดในประเทศไทยได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบหลวงปู่หลวงตาจังหวัดอุดรหลวงพ่อเป็นจังหวัดที่โชคดีอย่างมากคือท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเป็นประธานสงฆ์จากนั้นหลวงปู่มั่นก็เคยมาจำพรรษาจากนั้นก็หลวงปู่ขาวจังหวัดอุบลท่านก็เคยมาหลวงตามหาบัวหลวงปู่ฟัดหลวงปู่บุญมาหลวงปู่องค์ไหนๆอยู่ที่จังหวัดอุดรของเรามีมาก นว่าจะบวชอนของเราเป็นผู้โชคดีขอให้พวกเรารักษาความโชคดีอันนี้เอาไว้ถ้าพวกเราตั้งตันไว้ไม่ดีเกิดมาที่โชคดีก็ถเถอะขึ้นมาแล้วไม่ได้สนใจเรื่องวัดวาศาสนาไม่ได้สนใจเรื่องบุญกุศลเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแต่กินเหล้าเมายาทยมม เ, เที่ยวสมเมลเทม า, าบอใบยมุกทุกประเภทเราเอาหมดอย่างนั้นแต่ว่าเราตั้งตนไว้ไม่ชอบถ้าออกจากชาตินี้ไปแล้วพวกเราก็จะได้ไปสวยทุกข์กติยาก เปเลงูอย่างที่ว่าเนี่ยอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านรู้ด้วยจุตูปะปะากญาการจุติหรือการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายอาสาวัคยาย า, ยานอย่างผู้ว่าพระพุทธเจ้าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราไม่เกิดอีกแล้ว อ, อจุดที่เราทําให้บริสุทธิ์นั้นใจของเราบริสุทธิ์แล้วชําระด้วยจัตปรธรรมคือศีลสมาธิปัญญาใจของเราบริสุทธิ์แล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้ว อันนี้คือพระพอุทธเจ้าท่านประกาศที่โคต้นโคในวันเดือนหกเพ็ญอย่างพวกเราท่านทั้งหลายผู้ที่ได้ไปบ้านตาเมื่อวานนี้หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อว่าหลวงตาท่านกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวานแต่ไม่ใช่เทศนะท่านกล่าวสุนทรพจน์ท่านบอกว่าท่านปฏิบัติเอาจริงเอาจังจนหมดความสงสัยชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วอันนี้คือหลวงตาพูดเมื่อวานนี่แหละการยืนยัน ท่านดูท่านรู้ในใจของท่านว่าเป็นอย่างไรสิ่งไหนที่จะพาให้เกิดสิ่งไหนที่ไม่พาให้เกิดอย่างมมเมล็ดข้าวถ้ามเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์เกี่ยวออกมาแล้วเก็บเอาไว้เราเอาไปแช่น้ำเราเอาไปปลูกในดินอุณหภูมิถูกต้องข้าวเม็ดนั้นก็ต้องเกิดงอกเงยขึ้นมาเพราะเหตุไรเพราะมันมีตามันมีเปลือกข้าวนั้นก็ขายายพันธุ์ แต่ถ้าว่าเราออกเม็ดข้าวมาแล้วเรากรเา็เทาะทุบตําเปลือกมันออกและเอามานึ่งให้มันสุก ข, ข้าวเม็ดนั้นจะเป็นยังไงมันจะไปปลูกเกิดไหมข้าวที่สุกแล้วมันปลูกไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะมันสุกแล้วนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านชระพระทยคือใจขององค์พระองค์บอกว่านิพพานาปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง นิพพานังปรามังสุญญ์อย่างนิพพานสุสุ์อะไรสุญเชื้อเชื้อที่จะทําให้เกิดนะ่นเหมือนกับมเมล็ดข้าวที่จะทําให้เกิดนั้นท่านท่านทำให้สูญแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วแล้วก็ไม่เกิดอีกแล้วสูญแล้วแต่นิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะเหตุใดเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะมารบกวนพระไถยของพระองค์ใจของพระองค์ตรงนั้นเป็นผู้บริสุทธ์ เนือจากสมมติทั้งหลายทั้งปวงหิตใจอลอยอยู่ตามธรรมชาติเข้าสู่นิพพานนะไม่มีสมมุติอะไรจะเข้ามาเปรียบเทียบได้อีกแล้วเหนือจากสมมติเหนือกว่าสมมุติทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นขอให้พวกเราได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติหรือทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายขั้นตอนอย่างที่หลวงพ่อได้บรรยายอธิบายมามาลีเบื้องต้นที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นว่า อาคตังลุคตังเสยโยปัชชาตะปติทุคตังขยะวยธรรมมาสร้างฆ้าราอัปปมาเดนะซัมปาเดธาติอันนี้คืออย่างที่ครูของพ่อว่าอาคตังลุคตังเสยโยกรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นยอดเผาผ่านเมื่อภายหลังและขยะวยะธรรมมาสร้างฆ้าราอัปปมาเดนะซัมปาเดธาติสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง ขอท่านทั้งหลายจงยังไปประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้คือเป็นปัชิมะโอวาดคือโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ท่านสั่งสอนโลกพุทธบริษัทสี่ด้วยความเมตตาของพระองค์ว่าพวกท่านทั้งหลายสังขาร ไ, ไม่เมตเพียงนะเกิดมาและแก่เจ็บตายนะพวกท่านอย่าล่มหลงโัวเมาจนเกินไปนะควรส่อเสริญหาที่พึ่งนะควรส่อเสริญหาบุญกุศล น, นะ และพร้องกันพวกท่านทั้งหลายตรงอย่างประโยชน์ตนประโยชน์ตนให้ปฏิบัติตนให้ดีให้มีคุณภาพให้มีคุณธรรมศีลธรรมชําระกายว่าจาใจของตนเองให้บริสุทธิ์ให้หมนตรจากกิเลสให้พ้นทุกในวัฏฏะสงสารประโยชน์ตนประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ท่าน ค, คืออะไรอย่างที่พวกเราได้ไปทอดผ้าป่ายนช่วยช่วยกันทอดผ้าป่าช่วยเหลือชุมชนสังคมถนนหนทาง ช่วยเหลือผีน้องประชาชนใครตกทุกข์แต่ ย, ยากเกือบคูณหนุนกันโลกใบนี้ก็น่าอยู่แต่ถ้ า, ามีแต่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันมีแต่เอาระระเปรียบกันโลกทั้งโลกใบนี้ก็เดือดร้อนวุ่นวายหาความสุขอบสุขไม่ได้เพราะนั้นการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนตรายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครอง ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายและก็ดวงวิญญาณของมหาภูมินที่ท่านหลวงรับไปแล้วสิ่งสิอยู้นะใดก็ขอให้ดวงวิญญาณของท่านถ้ายังไม่พ้นทุกข์ก็ขอให้มีความสุขนะถ้าท่านพ้นทุกข์ไปแล้วก็ขอขอนุโมทนาในดวงวิญญาณของท่านอ่านะแล้วก็ขอให้พวกเราประสบความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้